สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเตยสู ต, ตอนที่สี่ร้อยห้าสิบห้าเรื่องผลของพระวิญญาณและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่แปดพ่องครับเมื่อวานนี้ผมจบไปด้วยโ้อชนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโคเรนิบที่สิบสองข้อสี่ถึงข้อหกวันนี้ผมจะขออัญเชิญครั้งหนึ่งนะครับ ของประธานมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณและองค์พระบุญเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน Instagram. เป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนเราเห็นได้ว่าเป้าหมายและถุกประสงค์ของอาคาทูเปาโลที่เขียนพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ท่านเขียนเพื่อเ น, น้นเกี่ยวกับเรื่อง ที่ว่าแม้ว่าของประธานนั้นจะหลากหลายชนิดมีความแตกต่างกันแต่มีผู้ให้เพียงผู้เดียวครับถ้าได้กล่าวถึงความจริงข้อนี้ถึงสามครั้งและในแต่ละครั้งนั้นเกี่ยวโยงกับของประธานและเปรียบเทียบกับองค์ตีอาการุภาพพระวิญญาณองค์เดียวกันองค์พระมเหสเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้าองค์เดียวกัน ที่น้อเห็นตรีการุภาพในพระมพีตอนนี้นะครับและเรายังเห็นด้วยว่าคําว่าคาริสซึ่งแปลว่าพระคุณคาริสมาแปลว่าของประธานแสดงให้เห็นว่าของประทานนั้นมาด้วยพระคุณของพระเจ้าและเป็นพระคุณของพระเจ้าและในข้อที่ห้านะครับเราเจอคำภาษากรีกคําว่าไดอะโคไนไดอะโคไน งานรับใช้ต่างๆกันคาที่สามที่อยู่ในข้อที่หคําว่า e อ e r g y มาตาแปลว่าพลังที่มาจากเป็นเ n เน g y นะครับแปลว่าพลังหรือกิจกรรมหรือแปลว่าอำนาจก็ได้ครับซึ่งมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นผู้ส่งเสริมพลังหรือเป็นคนที่สร้างแรงืั น, นั้น ก็เกิดในตัวของเราทุกคนแต่ละกลุ่มนะครับมีความแตกต่างหลากหลายครับเมื่อรวมสามคำนี้เข้าด้วยกันเราอาจจะให้คำจำกัดความว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ น, นั้นคือความสามารถหรือสมรรถภาพเฉพาะครับเป็นความสามารถหรือสมรรถภาพเฉพาะตัวที่พระเจ้าเน้นได้มอบให้กับเราด้วยพระคุณและดทธิอำนาจในการเตรียม เราทั้งหลายให้เหมาะสมกับงานรับใช้ของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญในวันนี้คำว่าของประทานงานรับใช้และการเสริมกำลังความหลากหลายของกิจกรรมคาริสมาตาซึ่งแปลว่าของประทาน มาจากวิญญาณบรยสุดครับงานรับใช้หรือกายคโนไหนมาจากรับใช้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและการเสริมเรี่ยวแรงการทำให้เกิดกิจกรรมการเสริมพลังหรือการสร้างแรงบันดาลใจนั้นมาจากพระเจ้าพระบิดาเพราะฉะนั้น ทั้งสามพภะพา ค, ครับคือตีเอกานุภาพนั้นประทานให้กับเราด้วยพระคุณและฤิธอำนาจเพื่อจะให้เราเหมาะสมกับการรับใช้แต่ละอย่างที่พระเจ้าดีไซน์ให้เราเป็นให้เรารับใช้เพราะฉะนั้นของประทานทุฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณไม่ใช่เป็นงานครับหรือไม่ใช่ภาระหน้าที่หรือไม่ใช่สมรรถภาพโดยตัวของมันเอง แต่เนนเรื่องคนครับเนเรื่องคนที่ถูกเตรียมเราจะต้องถูกเตรียมนะครับให้มีสมรรถภาพที่พัฒนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยของวัฒนนี้ครับเพื่อที่เราจะถูกฝึกฝนให้เหมาะกับการรับใช้ตามของวัฒนของเราพี่น้องครับนี่เป็นบุญกุณของพระเจา้านะครับ เป็นมุมมองที่หลายนคนหลท่านนั้นไม่เคยคิดมาก่อนเป็นมุมมองที่มีความสำคัญมากครับพี่น้องพระเจ้ากำลังเตรียมเราโดยที่พระเจ้านั้นกำลังพัฒนาของประธานหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราแต่เพื่อเราจะใช้ของประธานนี้อย่างมีสมรรถนะเต็มศักยภาพที่พระเจ้าได้ให้กับเรา แต่ละวลวันแต่ละเวลาที่เราดำเนินไปบางท่านบางคนนะครับถูกพระเจ้าประธานของประธานมาอย่างไม่รู้ตัวครับค่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นความอดทนหรือความมีน้ำอดน้ำทนเป็ยอง ค, ค์พระเจ้าได้ทรงให้เกิดในชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายหลา ย, หลายคนครับ หลายลายคนที่มีความเย่อหยิ่งจองหงหลายหลายคนที่มีควา ม, เ, งงาา ม, วามเรียกว่าประสบความสำเร็จคนเหล่านี้มักจะจมไม่ลงครับแต่พระเจ้าก็ได้ให้สิ่งต่างในการสร้างชีวิตของเขาเสริมแรงเขาให้เขาอดทนมากขึ้นเรื่อยๆอดทนมากขึ้นเรื่อยๆและพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับสภาวะที่ตนเองไม่พึงพอใจ หรือในบางครั้งสภาวะที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เราจะต้องอดทนพระเจ้ากำลังพัฒนาของพระทานในเรื่องของความอดทนเพื่อที่เราจะเหมาะกับงานบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับเมื่อพูดมาถึงจุดนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันชีวิตของผมหลายๆครั้งผมก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าเรียกผมให้มาเป็นสิจยาพิบาล ไม่ได้เรียกผมให้เป็นอาจารย์หรือไม่ได้เรียกผมให้อยู่ในวิชาชีพเดิมของผมพระเจ้าได้ทรงหยิบผมออกมาจากวิชาชีพเดิมจากความเป็นอาจารย์มาเป็นผู้รับใช้ในฐานะศิทธิพิบาลททำให้ผมนั้นต้องฝึกฝนของประธานบางสิ่งบางอย่างครับเช่นของประธานในการค้นคว้าในการศึกษาพระกรรมัมภี ในการเทศนาในการมีระเบียบวินัยในการเป็นแบบอย่างชีวิตแม้ว่าจะขรอท่อนกระแทนในบางครั้งแต่ผมก็เห็นว่าของประธานสมรรถภาพสมรรถนะของผมนั้นก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้ากาลังเตรียมชีวิตของเราทุกคนครับเหมือนกับที่พระเจ้าเตรียมชีวิตของผมและเมื่อมองย้อนกลับไปเราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมนั้น ก็ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนครับเป็นการเตรียมตัวเราให้เราพร้อมในการที่เราจะรับใช้ในด้านที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราตามของปรฐานที่พระเจ้าพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลายหลาคนนะครับอาจจะเป็นคนพูดเก่งผมอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่พระเจ้าก็ใช้ผมหากเป็นน้ำมัทไถ่ของพระเจ้าหากเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะ ใช่ผมโดยผมจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการฝึกฝนในการมีวิ น, นัยในการทำตัวให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วน้ำที่พร่องแก้วอยู่เสมอเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตการรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะรับรับของประทานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น น, นี่แหละครับ คือหนทางชีวิตของการรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าดีไซน์ไว้สำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนหน้าที่ของเราก็คือเราได้ค้นหาว่าเรามีของประทานอะไรหรือเปล่าบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวครับว่ามีของประทานอะไรก็ที่ฐานสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าถามพระเจ้าว่าโร่งเจ้าค่ะโปร่งกาลังอยากจะใช้ข้าพระเจ้าในงานอะไรของโรง ขอพรงทศงบอกข้าพเจ้าขอพรงศงสัมเด็จน้ำมัธยของพระองค์กับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะมีความรู้ประจักษ์แจ้งในเรื่องของของประธานที่พระเจ้ามอบให้ในขณะเุีกันข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะพัฒนาของประธานตามน้ำมัธยของพระองค์แต่เมื่อเราได้รับคําตอบจากพระเจ้าเพียงกับชีวิตของเราก็ก็จะสว่างขึ้นมาอีกครับสว่างสดใสเพราะเหตุที่ว่าเราั้นได้รู้จัก น้ำพัดไทยของพระเจ้าให้สอดคล้องกันเมื่อเป็นเช่นนี้ครับอะไรหลายหลาอย่างที่มันดูเหมือนมัวมัวสลัวสลัวก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับดังนันบขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะตั้งคําถามในการที่เราจะถามพระเจ้าในการที่เราจะสแสวงหาที่จะถามโปรงว่าโปรงต้องการใช้ข้าพระองค์อย่างไรและผมเชื่อว่า ของประธานที่พระเจ้าเตรียมเทให้กับเรานั้นจะเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเรารับของประทานสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเห็นผลของของประทานถูกใช้ออกไปและเห็นคลิมากมายกลับใจนำวิญญาณเสริมสร้างและได้รับการทําให้เป็นสาวกในที่สุดขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องทีละทุกท่านอาเมน